ว่าขันทั้งหลายตกอยู่ใต้ใจลักมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้แล้วไม่กลับมาอีกง้นเวลาภาวนาบางคนนะ้นึกว่าฝึกสมาธินะจนใจรู้ตื่นเบิกบานบ้างๆนี่แหละดีแล้วจบเส้นทางปฏิบัติไม่มีแล้วมีแค่นี้อันนี้ไม่ถูก้เราฝึกจนใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยต้องมาเดินปัญญาต่อมาแยกรูปน้ำ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 ก็ไม่รู้สึกว่าเห็นอย่างอย่างที่หลวงพ่อสอนก็คือว่าถึงบางขณะนี้จะเห็นว่ามันมันจืดจืดเห็นสภาวะทั่วๆไปมันจืดชืดครับก็บางบางบางครั้งก็ได้ได้เห็นถูกแล้วไปราวนาต่อนะได้เอาต่อไปใครมาไกลๆบ้างเอาไกลๆเลยนะมาจากไหนเมื่อสีสบสี่ฮะเพชบูรณ์เออไกลเมื่อวานนะมี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 จนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอแล้วหนูหนค่ะหนูไปทําอะไรนะไปพูดจาเสร็ศสีอะไรพวกนี้ยคะ่ะพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นขี้โมโหใส่คนอื่นออืแล้วหนูก็มีสติตามรู้ไม่ทันเออนะฝึกไปเรื่อยต่อไปมันเร็วค่ะ <c oughs> สติค่อยเร็วขึ้นหรอกดีแ ล, ล้วล่ะที่หนูเห็นอย่างนั้นน่ะค่ะแต่หนูสงสารคนอื่นเขาอะคะ่ะหลวงพ่อก็สงสาร <c oughs>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 คุณแม่จันดีถ้าจะเหนื่อยเยอ ะ, ะเข้าลงพยาบาลเจ้าค่ะหาเหรอให้เลือดอยู่สองวันเนี่ยปกติครูบาจารย์อยู่วัดอยู่ป่านะสบายโยมไปยุ่งด้วยมากๆนอกเลย <laughs> <ช>แต่จริงๆนะครูบาอาจารย์ท่านเมตตามาแล้วท่านสงสารนะท่านทุ่มเทให้เสร็จแล้วนอกเลยหลวงปู่สิมเคยพูดอะ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 ดูไปกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราดูไปไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะเห็นโลกนี้ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนดูไปได้ไม่ให้จิตติดเฉยเฉยอยูนะ่ก็ยังติดเฉยอยู่บ้างแหละค่ะนะแค่พิจณาช่วยช่วยมันพิจารณ า, านะให้เห็นในก า, กายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราหรือถ้าจิตมันไปว่างๆอยู่นะก็ช่วยมันพิจารณาจะกระตุ้นให้จิตเดินปัญญา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 อดทนนะดทนเอาอจะได้ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ85้านี่อยู่ข้างหน้าน่ยข้างหน้านี่เลยเนีหลงมาอยู่ได้ตรงนี้กบับมาสกการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งกันบ้านเขาที่แล้วหลวงพ่อให้ไปปฏิบัติในรูปแบบให้บ่อยขึ้นค่ะก็ได้ไปปฏิบัติแล้วเจ้าค่ะ